กองทัพธรรม ธรรมอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเทระพระธรรมเสนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่42เรื่องอวสานการเมื่อพระเทระหยุดดื่มน้ำหน่อยหนึ่งแล้วจึงได้กล่าวต่อไปว่าผู้เจริญทั้งหลาย เรื่องปรินิพานของท่านพระธรรมมิสนาบดีสาริบุตรเป็นเรื่องใหญ่อันพึงสลดสังเวชเป็นเรื่องชี้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งทั้งหลายบรรดาที่เกิดแล้วมีแล้วไม่ว่าจะเป็นใครหรือเป็นอะไรในที่สุดก็จะตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือความตั้งอยู่ไม่ได้ในที่สุดแต่ผู้มีปัญญาก็อาจพิจารณาถือเป็นเหตุให้เกิดกำลังใจ ที่จะช่วยกันรับภาระบำเพ็ญกรณยกียจิตเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนทั้งหลายสืบต่อไปโดยไม่มัวคิดว่าสิ่งนี้ควรเป็นภาระของผู้นั้นผู้นี้เท่านั้นผู้เจริญทั้งหลายเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาประทับจำพรรษาณบ้านเวลุวะขามแล้วก็สเสด็จมาสู่กรุงสาวัตถีและมาประทับจ็บยงอยู่ณนะเชตวันารามโดยลาดับ ท่านพระสารีบุตรเทระได้ไปเฝ้ารับเสด็จและดูแลช่วยจัดช่วยทาสิ่งที่ควรทำควรจัดในที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าในฐานะพระสาวกผู้กตัญญูรู้พระคุณแม้จะได้รับการยกย่องเป็นพระเทระผู้ใหญ่ก็ไม่ละทิ้งวัตถปฏิบัติอันพึงกระทาต่อสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อเสร็จจิตแล้วก็ถายบังคมกลับมาสู่ที่พักผ่อน ในเวลากลางวันณที่นั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสัทธิหาริกอันเตวาสิกก็เข้าปฏิบัติรับใช้ถวายความสะดวกตามสมควรแก่ฐานะแล้วก็พากันหลีกไปเพื่อเปิดโอกาสให้พระธีระได้มีความสงบสงัดอยู่ตามลำพังลำดับนั้นพระธีระ ก็ปัดกวาดสถานที่ลาดนศิตนะลงนั่งแล้วนั่งขัดสมาธิเข้าสู่ผลสมาบัติยับยั้งอยู่ตลอดเวลาบ่ายวันนั้นครันได้เวลาที่กําหนดแล้วก็ออกจากสมาบัติพิจารณาดูว่าธรรมดาแห่งการปรินิพานนั้นพระศาสดาปรินิพานก่อนหรือว่าพระอรหัสาวกปรินิพานก่อนเมื่อได้ทราบว่าพระอรหัสาวกย่อมปรินิพานก่อน และอายุสังขารของท่านจะตั้งอยู่ได้ภายในเจ็ดวันเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนกัติกาก็จักปรินิพานดังนี้คร้นแล้วจึงพิจารณาต่อไปว่าควรไปปริ น, นิพานณที่ไหนดีก็เกิดความชิดขึ้นว่ามารดาของท่านผู้มีนามว่าสารีเป็นผู้นับถือศาสนาอื่นและไม่ยอมฟังเหตุผลแห่งศาสนานี้ทั้งทั้งที่ท่านเองผู้เป็นบุตร พร้อมพระจุนธะธ ท, ทระน้องชายของท่านก็พยายามที่จะชวนให้มาสู่พระพุทธศาสนาบัดนี้เป็นอวสานการแล้วควรจะหาทางไปโปรโดท่านมารดาเพื่อให้ได้สมบัติอันประเสริฐคือดวงตาเห็นธรรมก็จะเป็นการดีและเป็นการเปลื้องข้อครหาด้วยข้อครหานั้นก็คือคนทั้งหลายจะพากันกล่าวว่าพระธรรมสนาบดีสาริบุตรเจ้า มีความรู้ความสามารถแสดงธรรมโปรดใครต่อใครให้ได้เห็นธรรมตลอดกาลนานเท่านี้แต่ไม่สามารถโปรดมารดาของตนเพียงคนเดียวได้คิดดังนั้นแล้วพระเทระก็เตรียมเพื่อไปกราบถวายบังคมลาสมเด็จพระบรมศาสดาผู้เจริญทั้งหลายพระเทระได้เรียกพระจุนท่าเระผู้เป็นน้องมาสั่งไปบอกแก่พิสุ์ทั้งหลาย ผู้เป็นสัตธิทวิหาริกอันเตวาสิเกเคยจะริกติดตามท่านไปในคำนิคมชนบทราชธานีนั้นๆตลอดกาลนานได้เตรียมเจ็บเสนาสนะเตรียมบาทและจีวรเพื่อเดินทางไปยังนานและกระคหรือตะ บ, บนบ้านซึ่งมีฐานะอันเป็นนครเพราะรวมเป็นตะบนเ ล, เล็กเช่นอุปริสะคามโกริตคามไว้ด้วยกันบางครั้งคนทั้งหลายก็เรียกว่าเมืองนาลันทาผู้เจริญทั้งหลาย ราจุนทถเทีระรับคำสั่งแล้วก็ไปบอกแย่ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสัทธิภาริกอันเตวาสิก ข, ของท่านพระสารีบุตรโดยทั่วกันภิกษุเหล่านั้นก็เตรียมเจ็บเตียงตังที่นอนที่นั่งทำความสะอาดให้เรียบร้อยตามวินัยนิยมสำหรับผู้ใช้ของสงฆ์อันจะเดินทางไปสู่ที่อื่นครั้นแล้วก็ถือบาทจีวรสมณ บ, บริขารมาประชุมพร้อมกันณที่พักของท่านพระธรรมเสนาบดี ผู้เจริญทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นรู้ว่าการเจ็บเสนาสนะครั้งนี้เพื่อเจริญทางร่วมกับพระเทพราเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่มีโอกาสได้เห็นหรือได้สดับธรรมกถาต่อไปอีกแล้วก็เป็นที่น่าสงสัยอยู่ว่าจะมีแจใจเจ็บกว่าเตรียมตัวกันหรือไม่เพราะเมื่อปรารถนาถึงความทุกข์ยากในการเดินทางต่างเมืองเที่ยวแสดงธรรมแจ่มหาชนในทีน่นั้นมาด้วยกัน และจะมาจากกันเช่นนี้ก็คงจะสะท้อนถอนใจหรือสื่อื่นให้อะไรรักโดยแท้ผู้เจริญทั้งหลายแม้ท่านพระสารีบุตรเทระก็จัดแจงเก็บกวาดที่พักในเวลากลางวันเตรียมบาดและจีวรเพื่อเดินทางครั้นแล้วได้หันมามองที่พักในเวลากลางวัน อันเคยยับยั้งอยู่ในวิหรารธรรมเสมอมานั้นเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความชิดว่าต่อไปนี้เราจะไม่มีโอกาสได้มาเห็นและพำนักต่อไปอีกแม้เช่นนั้นจะมีพิสูตรรูปใด ร, รูปหนึ่งรู้ความหมายก็หาไม่ผู้เจริญทั้งหลายเมื่อพร้อมกันแล้วพระธีระก็ออกเดินทางนำพิสูตรเหล่านั้นตรงไปยังที่ประทับของสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่ง ครันแล้วพระสารีบุตรเทวเจ้าจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุขจงโปรดประทานอนุญาตเถิดบัดนี้ถึงการปรินิพนธ์แห่งข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ได้ปรงอายุสังขารกำหนดเวลาและสถานที่จะปรินิพนธ์แล้วข้าพระองค์มาที่นี่เพื่อกราบถวายบังคมลาพระเจ้าผู้เจริญทั้งหลายถ้อยคาที่กล่าวนี้ เพียงทให้เกิดธรรมสังเวทแจท่านผู้เป็นพระขีณาสบว่าผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สัตว์โลกจากปรินิพานแล้วหนอแต่สำหรับภิกษุผู้เป็นพุทุชนยังไม่ได้บรรลุอรัตผลเป็นสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกผู้จงรักภักดีมีความรู้สึกเหมือนหนึ่งว่าพระเถระเป็นมารดาบิดาของตนเมื่อได้สดับข่าวว่าพระเถระมากราบถวายบังคมลา เพื่อจะไปพรินิพพานเช่นนั้นก็รู้สึกเหมือนอาสนีบาทฟาดลงมาทำกลางที่ประชุมภิกษุทั้งหลายต่างไม่สามารถกลั้นอสุชนไว้ได้ก็ก้มหน้าเสด็สะ อ, อื้นประหนึ่งว่าชีวิตของตนจะพลอยขาดรอนไปด้วยผู้เจริญทั้งหลายสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสถามว่าดูก่อนสารีบุตรเธอจะไปพรินิพพานณที่ไรเมื่อทราบว่า จะไปนาฬิกาคำจึงตรัสต่อไปว่าสารีบุตรเอยบัดนี้เป็นอวสานการที่ตถาคตจะได้เห็นเธอแล้วอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเสมือนหนึ่งน้องน้องของเธอก็จะมีโอกาสได้เห็นได้อยู่ใกล้เธอได้โดยยากเธอจงแสดงธรรมเป็นครั้งสุดท้ายในที่ประชุมนี้เถิด ผู้เจริญทั้งหลายลำดับนั้นข่าวเรื่องพระเถระจะลาไปปรินิพานก็แพร่ไปทั่วเชตวนารามและมีผู้ที่เป็นคราอายทราบเรื่องก็รีบบอกต่อต่อกันไปยังกรุงสาบถีช่วเวลาไม่นานเลยภิกษุทั้งหลายในเชตวนารามก็มาประชุมณบริเวณพระคันธกุฎีนั้นต่างมีความสลดสังเวชเป็นที่ยิ่งผู้เจริญทั้งหลายพระสารีบุตรเถระเจ้า รักพระพุทธรํารัดแล้วก็แสดงธรรมอย่างที่ไม่เคยแสดงมาก่อนเป็นการแสดงอย่างวิจิตพิสดารประรอกอบด้วยในยยะเป็นอนเนกถ้าเป็นสมัยอื่นที่ไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าพระธิระจะบรินิพานพระธรรมเทศานานี้ก็จะทำให้ที่ประชุมเงียบสงัดสนใจทรงใจไปตามธรรมกถาของพระธถระแต่ในครั้งนี้ภิกษุทั้งหลายทราบดีว่า เป็นพระธรรมเทศนาครั้งสุดท้ายจึงต่างจ้องดูพระเทระฟังเสียงด้วยความคิดว่าจะไม่ได้ฟังอีกต่อไปความวุ่นวายใจความเสียดายอะไรรักได้เป็นไปในจิตของภิกษุผู้ยังมีจิเลตจนไม่เป็นอันจะทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งใจสับพระธรรมเทศนานั้นทั้งโดยอัชชาพระยนชนะได้จึงเท่ากับเป็นการฟังรอเวลาหรือ คอยดูความเคลื่อนไหวของพระธทระมากกว่าผู้เจริญทั้งหลายพระเทเรไม่ได้แสดงอาการโศกสลดประการใดเลยเพราะท่านมีจิตใจสูงเหนือความโศกสลดอันนั้นแล้วเมื่อแสดงทำจบก็คลานเข้าไปกราบแทบยุคนบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาเอื้อมือไปจับข้อพระบาทพัฒนาข้อความว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพรองค์ได้เคยตามเสด็จไปในที่ต่างๆได้รับใช้ให้จัดให้ทำในการพริสถานสังคมณฑลและพระพุทธศาสนาบัดนี้เป็นอวสานการที่ข้าพรองค์จะได้กราบถวายบังคมและได้ทัศนาพระถถคคตตอไปแล้วถึงอย่างไรความปรารถนาของข้าพรองค์ก็เต็มบริบูรณ์แล้วที่จะมีโอกาสทำการต่างๆรับใช้ใกล้ชิดพระยุณบาน เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตลอดเวลาอันนานที่ได้อยู่ใกล้บ้างไกลบ้างรับพาราทางพระศาสนามาจบจนบัดนี้ถ้ามีการกระทาใดๆทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระารเจ้าข้าพระองค์ขอประทานอภัยขอพระองค์ได้โปรดประทานพระกรุณาอภัยให้ด้วยเถิด ผู้เจริญทั้งหลายแม้กิริยาอาการที่คานเข้าไปกราบและจับข้อพระบาทได้วความเคารพรักแม้การกราบทูลลาและการขอประทานอภัยจะเป็นไปโดยอาการอันปกติตามวิสัยที่พระอรหันตขีนาศจะพึงทำได้โดยมีธรรมะในใจหักห้ามมีแสดงอาการเศร้าโศกแต่ภิกษุผู้ประชุมอยู่ในที่นั้นที่ยังเป็นปุถุชนแทบไม่สามารถจะมอง หรือฟังถ้อยาำนั้นได้ดูเหมือนจะเป็นเชื้อเพลิงที่ช่วยกระพือความโศกสลดให้แรงยิ่งขึ้นณที่ประทับนั้นจึงเต็มไปด้วยเสียงเสออื่นและบางครั้งก็มีเสียงร้องไห้อย่างไม่ปรานาจะยับยัง้งหรือซ่อนเร้นความเศร้าโศกเป็นการร้องไห้ของผู้ชายที่รักและบูชาคุณท่านพระธรรมนาบดีอย่างบริสุทธิ์ใจผู้เจริญทั้งหลาย สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าสารีบุตรเอยตถาคตให้อภัยแก่เธอแต่แท้จริงก็ไม่มีอะไรที่ตถาคตจะพึงถือโทษเพราะตลอดเวลาที่เธอได้อยู่ร่วมกับตถาคตบำเพ็ญประโยชน์มาช้านานเห็นป่านนี้การกระทำทางกายหรือทางวาจาของเธอที่จะยังความไม่พอใจให้เกิดแก่ตถาคตก็ม่ได้มีเลยคร้นแล้วก็ตรัสลาพระเทระ ด้วยพระพุทธภาษิตอันควรเป็นที่จ้างแห่งความสังเวชผู้เจริญทั้งหลายพอพระสารีบุตรเทเรยืนขึ้นเสียงเสอือื่นให้ก็ดูเหมือนจะเพิ่มความรุนแรงยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายต่างพยายามที่จะมองดูพระเถรรให้เต็มตาในขณะนี้บริเวณภายนอกเชตวนารามได้มีมหาชนพากันมาคอยส่งพระเทเรอยู่เนืองแน่น พระธีระธรรมทักษิณเดินเวียนขวาสามรอบพระคันธกุฎีที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการแสดงคาระวะอย่างสูงสุดประคองอัญเชลีครั้งสุดท้ายแล้วก็ออกเดินทางพร้อมด้วยสติวิหาริกอันเตวาสิกของตนสมเด็จพระบรมศาสดาก็ตามมาส่งณที่หน้าพระคันธกุฎีผู้เจริญทั้งหลายลำดับนั้น ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพร้อมด้วยมหาชนชาวกรุงสาวัตถีก็มาประชุมส่งพระเถระเนืองแน่นบ้างฝุ้งฝ่ายน้ำตาบ้างส่ายผมพั่มพระนาด้วยประการต่างๆส่วนใหญ่พากันเดินตามพระเถระไปเรื่อยๆพระเถระเห็นระยะทางอันไกลพอสมควรแล้วก็หันมาให้อวาตปลอบใจเตือนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วท่านก็เดินทางต่อไป ผู้เจริญทั้งหลายเมื่อร่อนแรงไปในหนทางได้เจ็ดวันก็บรรลุถึงเมืองนาลันทาหรือที่เรียกอีกนามหนึ่งว่านาละกามพำนักยับยั้งอยู่ณนะที่โขนต้นไม้ใสขณะนั้นอุปรเรวตัตผู้เป็นหลานของพระเถระเห็นเข้าจำได้ก็เข้าไปถวายนมัสการพระเถระถามถึงมารดาของท่านคือนางสารีพรามณีเมื่อทราบว่ายังอยู่เป็นสุขดี จึงสั่งอุปริวตะให้ไปเตรียมห้องที่ท่านเคยเกิดไว้อุปริวตะก็ไปแจ้งเจ้นางสารีให้ทราบเมื่อให้จัดห้องนั้นเรียบร้อยดีแล้วจึงส่งคนนำคบใต้ไปรับพระเถระให้เข้ามาสู่ห้องนั้นในราตรีภิกษุทั้งหลายก็ตามไปจนถึงที่เมื่อพระเทระนั่งเรียบร้อยแล้วจึงให้ภิกษุเหล่านั้นกลับไปหาทิพพักในภายนอกผู้เจริญทั้งหลาย พอภิกษุเหล่านั้นไปแล้วก็เกิดอาพาธกล้าขึ้นแจ่พระเทระถึงขนาดทายออกเป็นโลหิตพอภาชนะหนึ่งเข้าก็ต้องนำภาชนะหนึ่งออกแต่แม้จะมีเวทนากล้าเพียงไรพระเทระก็มีความอดทนไม่หวั่นไหวด้วยทุกขเวทนานั้นผู้เจริญทั้งหลายนางสารีพรามณีเมื่อเห็นบุตรมีอาพาธกล้าก็เข้าไปถามและสนทนาด้วยซึ่งพระเทระ ได้ถือเอาโอกาสที่นางมีใจอ่อนเพราะเห็นบุตรที่รักเจ็บไข้ไม่สบายนั้นแสดงทาสั่งสอนมารดาของตนด้วยความตั้งใจสลับกับความที่ต้องอดทนต่อทุกขเวทนาในที่สุดก็สามารถทำให้มารดาของตนได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันบุคคลพ้นจากการถือทิฏฐิอื่นหันมาปฏิญาณตนเป็นอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาเมื่อนางได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว ก็กล่าวแสดงความเสดายว่าเหตุฉไฉนท่านพระสารีบุตรเทระจึงรอเวลามาแสดงธรรมอย่างนี้ไว้นานถึงเพียงนี้ผู้เจริญทั้งหลายพระสารีบุตรเทระเจ้าคิดว่าบัดนี้เราได้สนองพระคุณท่านมารดา ตอบแทนค่าน้ำนมที่เลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีแล้วเป็นอันได้ทำหน้าที่เสร็จไปด้วยดีจึงส่งให้นางสารีไปพักผ่อนหลับนอนครั้นแล้วได้เรียกพระจุนทาติรามาถามว่าขณะนี้เวลาไรแล้วพระจุนทัตตอบว่าเป็นเวลาเช้ามืดจึงสั่งให้เรียกประชุมสงฆ์ที่ติดตามมาต่กรุงสาวัตถีครั้นได้รับคำตอบว่าพระสงฆ์ได้ทราบข่าวอาพาธในราตรี และได้ประชุมกันคอยฟังอาการอยู่พร้อมแล้วจึงให้พระจุนทัติระประคองศีรษะให้ลูกนั่งและให้ช่วยกันพาไปในที่ซึ่งจะมองเห็นภิกษุทั้งหลายผู้ประชุมกันอยู่หลายร้อยเหล่านั้นได้แล้วจึงเรียกให้ภิกษุทั้งหลายสดับคําอําลาผู้เจริญทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นที่ยังเป็นผุุ้ชนก็มีความเศร้าโศกแทบจะไม่ได้สติสมประดี เมื่อเห็นพระเถระให้ประคองออกมาเช่นนั้นก็พากันร้องไห้ประหนึ่งว่าใจจะขาดด้วยความรักและอะไรลำดับนั้นพระสารีบุตรเถราเจ้าจึงกล่าวกะพิษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายตลอดเวลา44ปีที่ท่านทั้งหลายเที่ยวไปในที่ต่งตางๆกับขราบเจ้านี้ถ้ามีการกระทำใดๆทางกายและทางวาจาของคราบเจ้า ไม่เป็นที่พอใจของท่านทั้งหลายแล้วขอท่านทั้งหลายจงอดโทษบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอลาท่านทั้งหลายเป็นวาระสุดท้ายขอท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิดผู้เจริญทั้งหลายภิกษุบางรูปได้กล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญตลอดเวลาที่ผู้ข้าพเจ้าทั้งหลายติดตามร่วมทุกยากในการเดินทางกับท่านเสมือนหนึ่งเป็นเงาไม่ได้ทอดทิ้ง หรือจากกันนี้ไม่มีการกระทําใดๆของท่านซึ่งไม่เป็นที่พอใจเลยและถ้ามีความผิดพลาดใดๆของข้าพเจ้าทั้งหลายขอท่านจงให้อภัยในครั้งนี้เถิดผู้เจริญทั้งหลายเมื่อกล่าวคำอำลาพิสุสงเสร็จแล้วพระเถระ ก, ก็ชักผ้าจีวรขึ้นคลุมหน้า ลงนอนตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลี่ยมด้วยเท้าตามแบบสีหาสัยยาแล้วเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานเข้าสู่ทุติยฌานโดยลําดับไปจนถึงสัญญาเวทยิตินิโรธอันเป็นสมาบัติที่9แล้วออกจากสัญญาเวทยาตินิโรทย้อนถอยหลังมาเข้าเนวสัญญานาสัญญายาตนะออกจากนั้นเข้าสู่อาจินจัญจาญาตนะ ร่อยมาจนถึงปฐมฌานอีกแล้วออกจากปฐมฌานเข้าสู่ทุติยฌานจนกระทั่งถึงจตุตฌานคือั้นที่สี่ออกจากชานที่สี่แล้วก็ออกปรินิพานเป็นการดับไปโดยไม่ติดอยู่ในรูปฌานหรืออรูปฌานด้วยประการชนีผู้เจริญทั้งหลายอากาศอันเย็นในยามอารุณรุ่งความเงียบสงบของภิกษุสงฆ์ผู้มาประชุมกันดูอาการอาภาษของพระเถระ ดูเหมือนจะช่วยทำให้จิตใจของผู้มีความโศกรู้สึกสังเวชยิ่งขึ้นน้ำค้างซึ่งหยดจากชายคานานๆนนหยดเป็นเสมือนหนึ่งน้ำตาของนภาผากาศที่พลอยเศร้าโศกไปกับการปริธิพานของพระเถระด้วยเสียงจักจั่นเรไรซึ่งระงมอยู่ตั้งแต่ต้นปฐมยามแห่งราตรีเงียบสงดลงเป็นสัญญาณว่าแสงเงินแสงทองกาลังจะปรากฏ นักขอบฟ้าแล้วชีวิตที่หลับไหลไปในราตรีกำลังจะตื่นขึ้นเพื่อวุ่นวายต่อไปอีกในวันใหม่แล้วหลับไหลไปอีกแล้วตื่นขึ้นมาอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดการที่หาที่สุดมิได้เสียงชาวขับเกวียนเรียกขานและปลุกกันในที่ไกลออกไปเสียงความเคลื่อนไหวของผู้ตื่นแต่เช้าในที่ใกล้เคียงกันเริ่มมีขึ้นและเมื่อพระจุนท่ ได้ประกาศแจ่ พ, พระสุสงฆ์ว่าพระธิระเจ้าปรินิพานแล้วเสียงสะอื่นให้ก็มีอยู่ทั่วไปในบริเวณนั้นพร้อมกับแสงเงินแสงทองรำไรนขอบฟ้านางสารีพราหมณีทราบความก็ร้องไห้เศร้าโศกพรรณนาถึงคุณของพระธิระด้วยความรันทดใจแม้นางจะได้เป็นโสดาบันบุคคลแล้วก็ น, นับว่าเป็นเพียงอริยบุคคลชั้นแรกยังไม่สามารถ และความโศกกาสดได้ผู้เจริญทั้งหลายเมื่อสางความสลดรนทดใจลงบ้างแล้วนางสารีพราหมณีก็ให้จัดการสร้างมนดบเป็นที่ทำชาปนกิจสรีระแห่งพระเทระได้มีการฉลองมีการเล่าสาธุ จีละนักสัตย์ตลอดเจดวันแล้วจึงได้นําศพของพระเทระขึ้นสู่จิตกาชาญแล้วจุดเพลิงเมื่อเพลิงไหม้หมดแล้วพระอนุรุทธะจึงได้นําน้ําโปรดจิตกาชานพระจุนทเทระนําผ้ากลองน้ํามาห่ออัฐิของพระเทระแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็กล่าวลานางสารีพรมามณีรีบกลับมายังกรุงสาบถีเพื่อเข้าเฝ้ากราบทูลประพฤติเหตุทั้งปวง แด่สมเด็จพระบรมศาสดาผู้เจริญทั้งหลายพระเทระเหล่านั้นรีบเดินทางไปกรุงสาวัตถีเกือบจะไม่พักผ่อนระหว่างทางเลยเมื่อถึงเชตวนารามแล้วก็พากันเข้าไปใกล้ที่เฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ประทับนั่งอยู่ณธรรมกลางภิกษุบริษัทธ์ณที่นั้นพระจุนทาตเทรีระได้เข้าไปพบพระอนนุ์ก่อนเล่าความที่พระสารีบุตรเทเรเจ้า รินิพานแล้วแสดงสมณ บ, บริคารคือบาทจีวรและหออัฐิธาตุของพระเทระพระอนุนจึงชวนพระจุนทะเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดากราบถุนิสงทราบ พ, พร้อมทั้งแสดงอาการเศร้าโศกให้ปรากฏสมเด็จพระบรมศาสดาทรงรับหออัฐิธาตุของพระสารีบุตรเทเระแล้วตรัสสรรเสริญพระเทระอีกเป็นอันมากในที่สุด ได้ทรงแสดงธรรมปลอบใจภิกษุที่ยังละกิเลสอาสวะไม่ได้เป็นใจความว่าดูก่อนอานุ์การที่สารีบุตรได้ปรินิพานไปแล้วนั้นได้พาเอากองศีลกองส ม, ญญมมออ ส, สมาธิปัญญาวิมุตต์และวิมุตติญาณทัศนะไปด้วยหรือหรือว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์วิมุตติญาทณทัศนะก็ยังคงมีอยู่ไม่หายไปไหนพระอนุทีราชจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสารีบุทเทระเจ้าไม่ได้พาเอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานัตสนะไปก็แต่ว่าท่านเป็นผู้ให้โอวาาตักเตือนสัง่งสอนและประคองให้ร่าเริงในธรรมไม่เจ็ดครั้นในการแสดงธรรมอนุเคราะห์เพื่อนพรมจารีทั้งหลายข้าพระองค์จึงระลึกถึงรสธรรมและการอนุเคราะห์ทางธรรมของพระเทระเจ้า ดูก่อนอนุนเราได้เคยบอกไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าที่จะไม่ให้มีการพลัดพรากเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เป็นที่รักที่ปอใจนั้นจะหาที่ไหนในโลกสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความสุดโสมไปเป็นธรรมดาจะขอร้องว่าขอสิ่งนั้นจงอย่าสุดโสมเลยดังนี้ไม่ใช่ฐา น, นะที่จะเป็นไปได้ดูก่อนอนุน เมื่อภิกษุสมหมูใหญ่มีแจ่นสารตั้งอยู่สาริบุตรได้ปรินิพานไปแล้วก็เช่นเดียวกับเมื่อหมู่ไม้ใหญ่ที่มีแจ่นตั้งอยู่รวมกันแต่ไม้ที่มีลำต้นใหญ่กว่าโค่นลบลงฉะนั้นสิ่งใดเกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความสุดโสมไปเป็นธรรมดาจะขอร้องว่าขอสิ่งนั้นจงอย่าสุดโสมเลยดังนี้จะหาได้แต่ที่ไหน เพราไม่ใช่ฐานนะที่จะเป็นไปได้ดูก่อนอาน non เพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายจงมีตัวเองเป็นเกาะมีตัวเองเป็นที่พึ่งอยู่เถิดอย่าคิดพึ่งคนอื่นเลยจงมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่เถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยผู้เจริญทั้งหลายในที่สุดสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงสอนให้พึ่งตัวเองและให้มีธรรมเป็นที่พึ่ง ด้วยการตั้งสติกำหนดกายเวทนาจิตและธรรมเป็นการชี้แจงเรื่องปรอบใจเกี่ยวกับการปรินิพานของท่านพระสารีบุตรเทระด้วยประการชนีภผู้เจริญทั้งหลายต่อมาอีกกึ่งเดือนพระมหาโมคคลานธีระอักรสาบกเบื้องซ้ายก็ปรินิพานไปอีกครั้นสมเร็จพระบรมศ า, ศาสดาได้เสด็จออกจากเชตวันารามเดินทางต่อไป ตามเรียบลำน้ำคงคาในแคว้นวัดชีถึงเมืองอุกกะเยะละกรนครโดยลำดับมีข่าวมาถึงเชตวันารามว่าทรงป่ารบเรื่องพระนิพพานของพระอ克拉สาวกทั้งสองแล้วแสดงพระธรรมเทศนาโปรโดพิสุททั้งหลายในขณะที่ประทับนั่งณที่แจ้งดังต่อไปนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบริษัทของเรานี้ย่อมปรากฏเหมือนว่างเปล่าเมื่อสารีบุตรและมคคันลานะอย่างไม่ประนิพานยังอยู่ในทิศใดทิศนั้นของเราย่อมไม่ว่างเปล่าและเราก็มีความวางใจได้ในทิศนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตหรือในอนาคตก็ตาม ย่อมมีคู่แห่งสาวกอย่างยอดเยี่ยมเพียงแค่สาริบุตรและโมคลานะผู้เป็นคู่สาวกของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นข้อที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีก็มีขึ้นสาหรับสาวกก็คือสาริบุตรและโมคลานะเป็นผู้กระทาตามคำสอนกระทาตามโอวาทของศาสดาทั้งอย่างเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพ และสรรเสริญของบริษัททั้งสี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นข้อที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีก็มีขึ้นสำหรับตถาคตคือเมื่อคู่แห่งสาวกเข็นป่านนี้ปรินิพานแล้วตถาคตก็ไม่ได้มีความเศร้าโศกความคร่ำครวญเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความสุดสมไปเป็นธรรมดาจะขอร้องว่า ขอสิ่งนั้นอย่าสุดสมเลยดังนี้จะหาได้แต่ที่ไหนเพราะมิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้อัตมาภาพได้กล่าวคาถาแสดงประวัติแห่งพระสารีบุตรเทรเจ้าตั้งแต่ต้นจนประนิพพานพร้อมด้วยพระพุทธโอวาท ตรัสสอนปรารบเรื่องของพระหมหาเทระรูปนั้นจบลงแล้วเรื่องนี้ย่อมเป็นที่ตั้งแห่งความโศกสลดแต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจให้ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ยิ่งขึ้นแม้ท่านผู้เป็นธรรมศนาบดีแม่ทัพธรรมจะสิ้นไปแล้วแต่ตัวธรรมะยังมีอยู่ในโลกเราจะต้องช่วยกันเผยแพ่ให้แพร่หลายไปเพื่อประโยชน์และความสุขใจชนเป็นอันมาก ด้วยความรู้สึกว่าภาระอันนี้ไม่ใช่ของผู้ใดเฉพาะหากเป็นเรื่องของผู้เห็นใจประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันนั่นแหละพระราชาและมหาชนถวายน้ำมการเหนือเสียนกล้าวเมื่อพระเทรากล่าวจบลงขณะนั้นดวงอาทิตย์เริ่มอัสดงราชบุุษทั้งหลายก็จุดคบใต้สว่างไปทั่วสังคารามและตลอดทางที่จะผ่านเข้าสู่ประตู พระมหานคร